บุ talk talk. Or or ๊ทูยี่สิบเอ็ดนการสนทนาสองส몰ท talk อคุณมาจากไหนคะโอเคมาจากบาเซลค่ะบาเบเล ปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เซลเล gger i Schweiz ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะโ่าพรเเขาเป็นคนต่างชาติ <is> เขาพูดได้หลายภาษา คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะแอร์ดูเฮร์ for ครั้งแรกไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะไม่ฉาแวค่ะนา่นีเอแค่ะัน่ปดาห์เท่าน้ค่ะมันค้คนอีค่ะนอว คุณชอบที่นี่ไหมคะคุดอย่งไรเกีสนที่นีคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากคะ่ะดีมากฟังดูน่าและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยคะ่ะอ้วทัน์ก็ดดีเหมือนกันคุณทำงานอะไรคะ hvad a r b e j d r ดูซ่อมดิฉันเป็นนักแบร์แย่แอร์เซ็ตรดิฉันแปลหนังสือแย่อร์เซ็ตรเปิรคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะอร์ดูแหร์อีกนะไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยคะ่ะ Nej, min kone. Min mand er her også. Læt næn ben luk tæng 2 kånd kong de c h a n Og det er mine 2 børn.